12. ปรินามนสิกขาบท 135. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของจะถวายสง์ไปเพื่อบุคคลณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขี ถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกสุบพัก ค, คีรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไว้เป็นของที่จะถวายสง์ไปเพื่อบุคคลในปรินามณศิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐาน สหธรรมมิกวัคที่8ดจบ